ที่กำังสัมมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี วัดพัฒนารามหรือว่าปี 2405 เสีย 11 กรกฎาคม 2485 รวม 80 ปีบริบูรณ์ 55 พรรษามี โยมพ่อชื่อในชุ่นเป็นชาวตลาดโยคตลาดบ้านดอน หรือว่าวัดพยโฆคนะโดยพออ่านออกเขียนได้พระภิกษุผ่องเจ้าอาวาสวัดพยโฆคเป็น แล้วก็ในการต่อมาท่าน 2430 เวลานั้น 25 ปีบริบูรณ์ เข้าวิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่อุโบสถวัด ที่บายินดีก็เพราะว่าท่านจะได้ยึดอารมณ์ผ้ากาสาวะพัดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไปช่วยชีวิตโดยไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตลูกส่วนเสียใจก็เพราะเป็นเรื่องธรรมดาการจากไปของคนที่เข้ามาเป็นสายโลหิตอันเป็นเรื่องธรรมดาของสามัญชนทั่วๆไปครั้นล่วงการผ่านไปเมื่อความโศกเศร้า นางละม่อมก็เกิดความว้าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเข้า มันในทางฆราวาสเช่นเดิมแต่นางก็ได้รับความ เพราะว่าท่านตั้งปณิธานไว้แล้วว่าไม่ศึก โดยไม่มีข้อรังเกียจเดียดฉันแต่ เพื่อศึกษาหาความรู้และๆกันออกบุกป่าฝ่าดง ตลอดถึงพระแท่นพระฉายต่างๆเมื่อกลับถึงกรุงเทพมหานครท่านก็อยู่จํา ด้วยอาจารย์กล่อมเจ้าอาวาสวัดโพอำเภอเมืองๆอีกวาระหนึ่งในวาระ พระอยู่ในป่าก็ต่ายถามความเป็นไปในเหตุผลวัดพะโยคหลวงพ่อพัด แล้วก็อำลาเจ้าอาวาสออกเดินทางติดตามท่านอาจารย์สุขไปด้วยในการออกเดินทางทุรดงครั้ง แล้วท่านก็จดจําอักขระเหล่านั้นไว้ได้ตลอดต่อมาในสมัยที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามท่านก็ได้จัดทําพิธีสร้างพระ ยังให้คุณภาพในทางเมตตามหานิยมด้วยหากกูใดเจ็บๆ แถวนั้นก็ปรากฏเมื่อท่านได้ประสบภาพอันงดงามนั้นเห็นสตรีสวยงามนาง ในวันต่อมาทําให้ท่านไม่นิยมถั่วงาเผือกมันแล้วก็ผลไม้ แต่ทุกครั้งที่ท่านกลับมาสู่สำนักเดิมท่านก็ เพื่อให้ศิษย์วัดแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาได้ แล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาดึกสงัดตอนเที่ยงคืนกันเข้าอาศัยพักผ่อน และขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีเสือ ก็ชักชวนกันมาดูโดยเข้าใจว่า 2 ครั้งแล้วคั้นชาวบ้านเห็นว่าภิกษุทุโดงทั้งกันนึกแปลกใจ ได้พบกะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณ บ่อหนึ่งมีความลึกมากหนึ่งมีความลึกมากที่ปากบ่อมีเหล็กขนาดโตท่อนึงวางขวางปากบ่อไว้อันแสดงให้เห็นเป็นปริศนา สมัยนั้นยังไม่มีทางรถไฟเขา เสร็จแล้วก็ห่อศพนําไปค้างไว้ตามขาครบไม้ใหญ่ๆในป่าชะบางครั้งในครบค่ําท่าน ยืนหลับตาอธิษฐานขออาหารบิณฑบาตบางครั้งก็ ก็จะมีความรู้สึกสาสั่นทั่วสารพางกาย เมื่อหลวงพ่อพัดอุปสมบทแล้ว ต้นพยามแล้วก็ถาวันอันร่มคลุมรกๆนานาเช่นเสือช้างป่าหมีหมูป่าลิงเก้งเป็นต้นแล้วก็ยังเป็นที่ โดยท่านเข้าไปตั้งโกรธพักความวิเวกเป็นนิจสินต่อมาท่านก็พิจารณาว่าสถานที่ที่เป็นเนิน รวบรวมได้หลายองค์ได้หลายองค์จึงแน่ใจว่าต้องเป็นวัด ขั้นต่อมาก็ให้มีภิกษุอื่น 6 บาทเท่า แต่ด้วยมีสตรีสองคนแล้วก็พลานิสงส์ของท่านที่สร้าง ในที่สุดทั้งใกล้ทั้งไกลได้สร้างพระอุโบสถกับศาลาการ 2480 ชาวบ้าน ก็ได้กระทำพิธีผูกภัทรสีมาฝั่งลูนิมิสโดยมีเจ้าคุณสิริธรรมมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นประธานในงานพิธีนี้ 2277 ความ ด้วยเหตุที่เป็นที่ลือชาปรากฏๆเลยมีประชามาก จากสุภาพสตรี 2 ท่านแห่งจังหวัดจุ้มพรที่กล่าวๆซึ่ง เพื่อนํามาก่อสร้างสาธารณสถานแต่ต่อจากนั้นมาก็เกิดเป็นคราวชะตาถึงคาดโดยเมื่อพลายสมบูรณ์ หลวงพ่อก็ได้จัดการ 3 วัน 3 คืนการเผาศพของพลาย พอแรกๆเนี่ยท่านได้ใช้มือลูบงวง ในวันหนึ่งหลวงพ่อได้ใช้ไม้งัดต้นสูงเมื่อหลวง กวนช้างก็ตกตะลึงยืนดูด้วยใบหน้าซีดพลาย ลำดับเหตุการณ์อยู่ด้วยความอกสั่นขวัญแขวนยิ้มออกมาได้ด้วยความโล่งใจนี่เป็นเหตุการณ์ ท่านแล้วก็อีกตอนเวลาร่วงมาหลายปีท่านได้ฝันว่าได้รับข่าวการถวายช้าง หลวงพ่อพัฒน์ท่านเป็นพระภิกษุซึ่งมีจิตใจ มีน้ำใจอันกว้างขวางบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เช่นอาหารบางอย่างที่คนอื่นรับประทานไม่ได้เป็นต้นว่าเอาหัวเอาะหัวออกหัวหูๆต้นขุนแต่ว่าหัว ทั้งสรรพคุณยังเป็นยาบําบัดอาการไข้ ตลอดถึงเครื่องอัฐบริขารเครื่องทายาทฐานทุกชนิดจะ สำหรับส่วนตัวท่านเองเป็น ส่วนตัวท่านเองนอกจากจะหาโอกาสออกบาท นี่ก็คือคุณงามความดี